S <S <an itary> พระธรรมกันฑ์พระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้ว 2,556 ปีนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่สองกราคม2556ปัจจุบันเป็นปัจจุบันนักการพวกเราจะทำอย่างไรให้การมีชีวิตอยู่ไม่มีผู้ร่วมิ กับการใช้ชีวิตในชัดเจนแม่นยำเรามีกายมีใจสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราได้เมื่อเราทำสิ่งที่ถูกที่ต้องให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราแล้วก็เป็นประโยชน์เพือ่อกลุต่อโลก เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อญาติเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นตีกายที่ใจเราก็เป็นทุกขเป็นโทษต่อกายต่อใจเราเองแลนะเป็นผลกระทบต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น เกือดล้อนไปให้มั่นใจในการปฏิบัติธรมธรมอัานพาะธรรมคำสอนที่ทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่เมื่อปฏิบัติตามธรรมนั้นพวกเราเป็นหมู ช, ชนผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า สภาวกัรปฏิบัติชอบตามธรรมก็จะมีผู้ลู้ผู้เห็นธรรมจะได้เป็นพระอาหารหันต์เกิดขึ้นมาในโลกได้ตามทุกข์ควนใจผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นปุถุชน ไปสู่อาบายสู่ดาลโลกสะไมตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนปฏิบัติธรรมคือทำอย่างไรมีแล้วแผนที่มีสติปเป็นก า, าอยู่เป็นประจำเป็นเจนที่วัดที่ตั้งไว้ที่กายมีสติต้องหัดต้องประกอบขึ้นมาให้มี ถ้าไม่ประกอบมันก็ไม่มีมีก็เป็นสติธรรมดาเหมือนสัตว์ะี่เราฉวนสติมัก็เหมืนสัตว์แล้วก็มีสัตว์มันเป็นสัตว์ก็มีสติได้โยนผู้ลอยก็มีสติได้นำความชั่วสําเร็จแต่นั่นเป็นสติธรรมดา ไปตามอาการที่ตั้งไว้จิติปัญฐานวันโตตกไม่ได้ไปตามอาการที่เกิดขึ้นได้รู้เป็นที่ตั้งอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรามีมากรอมหลงก็มี โกรก็มีรวมทุกก็มีรวมโลกรวมชอบพอใจไม่พอใจมีถ้าไม่ฝึกก็เป็นประามบาการที่เกิดขึ้นแต่พอใจก็ทําตามควพอใจถ้าไม่พอใจก็ทําตามควไม่พอใจก็าไปําผิดพาดเดิอดร้น ถ้าสติบัฏฐานไม่ทาตามความพอใจไม่พอใจให้รู้จักตัวจะมารู้จักตัวซะแล้วมันหลงกัารู้จักตัวได้ความรู้สึกตัวจากความหลงนั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าวมันหลงเป็นหลงไม่ได้ประโยชน์จากความหลงกลาเป็นโทษไปเสียแล้ว ความหลงสงไปกกลไปถึงองบายได้แต่ว่าเกิดทมชั่วพูดชั่วคิดชั่วเป็นจะต ด, ดิสสอยให้ความหลงที่เป็นต้นเหตุจึงมีวิชากรรมฐานตั้งต้นให้ดีดมีให้เรามือขั ด, ขดความหลงถ้าเราได้ฝึกั ด, ดให้เกิดความรู้ตรงนี้ ต้องรมได้ธรรมสมควรเจ่าผู้ปฏิบัตินะเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้ได้ทุกครั้งทุกเทาหลงหนึ่งครัง้งรู้หนึ่งครั้งหลงร้อยครัง้งรู้ร้อยครัง้งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหลงสิบครั้งยี่สิบครั้งรู้ครั้งเดียวแล้วก็จูเครดัน ปฏิบัติตรงนี้ให้มันมีวินัยมีวินัยเข้มแข็งไม่ล้มเลิกอย่าล้มเลิกในการทําความดีอย่าล้มเลิกในความรู้สึกตัวจะปล่อยอให้เป็นปฏิมาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีบทเรียนเยอะแยะที่ได้จากการเกิด ข, ขึ้นกับกายกับใจเรานี่ วิเศษก็พันห้าถามก็รยแปดถ้าเราไม่ฝึกล้วก็ชีวิตของเราก็ใช่ไปได้พึ่งไม่ได้ทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธหลงก็เป็นหลงโลภ ก, ก็เป็นโลกวุติสุขก็ หยดดีๆคอดีเปิดเปื่อนไปหมดทิ้งความทุกข์ทิ้งความหลงไว้กับกายกับใจให้กายใจเปิดเปื่อนด้วยความทุกข์ความโกโลูหลงแต่เราฝึกมันก็ไม่มีสิ่งนั้นมาเปิดเปื่อนโมดิสุทธ์ขึ้นมาหมดจดจ่อเครื่องเซลลมองมีโลภโกลลหลงเป็นต้น ต้องจะดีๆในปีใหม่นี้เริ่มต้นดีๆมั่นใจมีความมั่นใจมีศรัทธามีความเพียรมีวิ น, นัยเข้มแข็งไม่ลุ่มเลิกในการทำความดีให้มันเกิดขึ้นที่กาที่ใจได้จะหัสเริ่มต้นดี เมื่อมันทำได้ทำเป็นเราก็ง่ายงัดใบใบก็ใส่ใยหน่อยมีสถานที่มีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีมีสายดีมีสิ่งบนโลมดีก็ง่ายถ้าไม่มีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีมีสายดีสิ่งบนโลมดีก็ยาก การที่จะทำสิ่งหาสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ ย, กยากนิวัดว า, ารามกั่าว่าเพื่อต้อนรับผู้ที่ฝึกหัดเรื่องนี้ให้ได้รับความสะดวกพวกเราก็มาสร้างขึ้นเองมาประกอบขึ้นเองเกิดศสศรัทธาของพวกเราชาวไทยชาวพุทธ ประเทศทยมีวัดวาอารามมีพระสงฆ์ผู้ที่เป็นกรลยาณมิตรกับพุทธวยชัมีอยู่ในโลกนี่สิ่งที่ท่านหลงท่านไม่หลงแล้วสท่ท่านทุกข์ท่านไม่ทุกข์แล้วมีอยู่ในคนประเภทนี้ชีวิตยอย่างนี้ จึงไม่ควรจนในเรื่องนี้พอจะสแสวงหาได้มีผู้บอกผู้สอนสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ภุลภาจาย์บัหลุรผู้สองสอนนัดทำคำสอนมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัดไว้ตาตัวก็วทำนี้หกขาดแล้ว ความหลงก็คือความหลงไม่ใช่ความรู้ถ้าเราไม่หัดความทุกข์ก็คือความทุกข์ไม่ใช่ความสุขถ้าเราไม่ฝึกหัดจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราฝึกหัดก็เป็นคนรอยแบบคนละมุมมันหัดได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้หวันหลงไม่หลงได้อยู่ มันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อยู่วันโกรธไม่โกรธได้อยู่หรือว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติเองก็ต้องรู้เองสัมผัสเองความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องให้สำปัดตัวดีๆความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องสัมผัดดีๆปฏิบัติได้ ให้หวนได้เหวินปัจจดตังของผู้ปฏิบัติอย่าให้มันด้านชีวิต เ, เราถ้าไม่ฝึกประกอด้านหลงก็หลงอยู่ได้นั่นทุกข์กทุกขอยู่ได้ยิ่งไปยืดเอาว่าตัวว่าตนเข้าไปยิ่งหกมัดเข้าไปกาเป็นคนโอมโลกโอมทุกข์ไปซะ ก็เกิดเจ็บเจบตายในภพในภูมิตาม่างๆในความหลงก็มีภูมิความหลงสามารถเกิดเป็นเปรตเป็นสุกนลกาสนนรกโดยละชานได้ในความทุกข์ก็มีภูความทุกข์สามารถจยู่ในภูมิของนรกได้ในความโลภ ก, ก็มีผลความโลภเป็นภพเป็นภูมิสามารถเป็นภพของอ ของเปลือดได้หูรู้จักยิ้นั่นั่นจึงถ้าหมายสอนตอนมันลอยมันมีวิญญาณธาตุสิ่งที่ทำให้เกิดเหล่านี้ก็ดมีตามีหูมีจมูกลิ้นกอยใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงยิ่งทุกวันนี้มันมีรส ชาติมากกว่าจะสั่ให้โอนแม้แต่าอาหารการจิ๋นก็ปรุงกันจนหลงชาติไปแล้วผละมะมกรากใหม่ก็หลงชาติไปแล้วหน้ม่วงดีๆหลงพุมหลงชาติไปแล้วต้องกรอบมาใหม่มีคนเื่นฟูใหม่หนาม่วงก็ล้นเดิมเดิม พื้นผูใหม่ขึ้นมาพยายามรักษาใจะกลับมาได้หรือเปล่ามาม่วงแก้วมาม่วงงนเพี่ยนไปหมดผริสุดผุก็กินไม่ได้ออนแอรประสาท ต, ตอนต้องเลี้ยงต้องใส่ปุ๋ย จึงออกลูกต้องตกแตงและก็หมดลูกดังแต่ก่อนที่นี่มาม่วงขึ้นสมอง2วัดนึ่โตกันจนตเต็มไปหมดเต็มวัดไปหมดทีจจ่ชินอยู่4ีหปีนะ่ากับหมดไปเลยจบไปเลยตาปุกง่อยอื่นตอนนี้เป็นไม่จง ไปแล้วมันเพีื่นเวจล้กะปรุงอาหารกะปรุงกันจนทาไม่กินไม่เป็นทางบ้านอาหารฟาดพูดอาหารจินไวไมีแต่พิษแต่ภัยเกิดโรคปนเลงกันทั่วไปอยู่ทุกวันนี้โรคที่เกิดจากเข้าทางปากเลยเกือบจะิเป์ อยู dolor, Leaving, <c oughs> <c oughs> ่ก so, ่อนจีนต <m ess stripes> ิดลถติดชอบเสียงก็ไม่ลดเสียงธรรมดาค่อยฟังเราใส่ลถเข้าไปตัวดีโอเสียงทุ่มเสียงอะไรต่างๆซื้อมาฟังกันความเจ้าโพชีโซโพเทโฮโลกามา ก็ทานไหนเอติดหัวไปาทีไปไปไปอยู่สารลห้ามใช้เสียงก็มีเสียงใสเสาโบ่หเต้นอยู่คนเดียวบหมนบ้านเสียงก็ได้ยินคนเดียวโอ้โเต้นคนเดียว เวลาไปบางทีก็เต้นด้วยกอนต่างคนต่างไม่เสียงอยู่ในหนูว ไ, ไปเที่ยวฟาร์มหมาจีดฟารมมาจีดฟารมผลไ ม, เมเ้เขามันหนาวเาก็มีเวทีกลางแก้งใส่เวืว้วอเต้นก็นอยู่บนเวทีแต่ไม่มีเสียง เฉีงออครของมันตางคนต่างเต้นจะไปเต้นมันก็หเล่าอ น, นันตก็เป็นเมืองของเขามันไม่รสชาติสีก็ไม่รสชาติกลินก็ไม่รสชาติรสมันหลายรสก็ทําไมหลงได้ก็าวันติดหลงก่เพิ่มเพะละสิ้นเพลื อ, องการใช้จ่าย อาจเป็นพลละไปเรื่องสมบางไม่รู้อะไรคืออะไรถูกแยกไปหมดเลยแม้แต่การทำนุ่งทำห่มก็ไม่เหมือนสบาก่อนติดสีติดลวดของสีของผ้าไม่เอาคนละผ้า ก่อนขวามร้อลลน450ปีก้าฝ้าปลูกฝ้ายกันทอเป็นผืนตัดเป็นเสื้อผ้เกียงยุ่งสีคลามธรรมชาตินุ่งตากแดดกลายเป็นยาก้าฝ้ายอาบความย่อมครามเวลานุ่งตากแดด เมื่อออกพกกับฝ้าไ ฟ, า ฟ, าฟากับสีคลาดกลายเป็นมิตอร์ินดีผิวหนังเข้มแข็งหนาแน่นป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกวันในผ้านุ่งไม่ไปเลยนุ่งต่อแดบไม่ไปเลยมันเพื่อนไปเจอแล้วต้องกลับมาดูตัวเองดีๆให้สู่ธรรมชาติในกายเป็นกายธรรมชาติ ใจก็ธรรมชาติเสียงก็เสียงเหมญาติก่อยสักว่าคอยจิตสักว่าจิตทมสักว่าทำเวทนาสักว่าเวทนาอยาให้มันเพิ่มไปอีกเวทนาในเวทนาอีกจิตก็ไหนจิตอีกจิ ต, ตเดิมมันจิตบริสุทธิ์จิตในจิตมันปรุงไปเป็นจิเละทนาแลาวกา็ชิดเข้ามากล้ เป็นทุกข์ต่อคิดเกิดมาเป็นสุขคิดเกิดมาเราพอใจคิดเกิดมาไม่พอใจนั้นไม่จิตเป็นจิตธรรมดาเป็นจิตที่ถูกปรุงไปเสร็แล้วเกิดอาศัยจิตเป็นที่เกิดอาศัยกายเป็นที่เกิดอาศัยอาการเป็นที่เกิดทุกข์มันคือทุกข์มันก็เกิดต่อไปทุกข์ก็คือโทษคือเศร้าโศกเสียใจไปทุกข์คือวันทุกข์ ให้เป็นทุกข์ผูกขวองทุกข์ถ้าเราดูดีๆไม่ใช่ทุกข์ผากข้องทุกข์ทุกข์แล้วก็ทุกข์จะไปทุกข์ให้มันเป็นทุกข์อย่างไงจะไปเอาให้มันเป็นสุขอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ทุกข์รูกว้อทุกข์ไม่ได้หลงผูกข้องหลงไม่ได้โกรธรูกข้อโกรธปัญหามันเป็นปัญญาได้ความรอบรู้ชีวิต จากเรานี้เรียกว่าปัญญาพุท ธ, ธะจนปัญญาพุท ธ, ธะไม่เช่ปัญญาปะเหลืองนกระท้องมาแต <c oughs> ่ดาพุท ธ, ธะปัญญาตัดฉลูหลุดพ้นจากการเกิดแจ็เจ็บตายนี่คือคุณค่าชีวิตของเราที่มีกายมีใจที่เป็นรูปเป็นนามนี่ดังต้นก็ดีดี ในวีใหม่นี้วันที่สองวันนี้ให้มีความมั่นใจกับการใช้กายใช้ใจดีๆใหเป็นเกณฑ์ขี้วัดตัดสินใ จ, จด้วยความถูกต้องอยู่เสมอเอาละเราจะไม่ให้เราจะไม่อเอากายเอาใจมาเป็นสุขเทุกข์เราจะไม่อเอากายเอาใจมาทําให้ตัวเองเป็นสุขเป็นทุกข์ ทำให้ได้ตรงนี้ให้มันรู้อะไรเกิดขึ้นมาทายที่มันสมบัตอะไรเกิดขึ้นโลนไม่ใช่ทุกหนาวไม่ใช่ทุกเห็นมันหนาวเห็นมันโลนไม่ใช่ทุกภวมหนาวไม่ใช่ทุกภวมโลนเห็นมันโลนเห็นมันหนาวเห็นมันหิว เห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยอย่าอามาเป็นตั้งตรงนี้ดีๆให้มาทางนี้มาทางนี้เห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นแล้วนี่คือความทุกข์เห็นแล้วนี่คือความไม่เที่ยงเห็นแล้วคืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเห็นอย่าเข้าไปเป็นไปกับมันหัดตนสอนตน จะได้หลักจะได้ประโยชน์จากมีกายมีใจประสบการณ์บทเรียนโดยเพราะการเผยพวิชากรรมาฐานมันเป็นเกียนที่ิว่าดีที่สุดไหวที่สุดีที่ต้องแหงกกรรทมนิสิตินันนี้ก็อยู่เป็นประจกา ิจติอยู่กายแล้วเือนคนเข้าบ้าน ส, นาานานสานติเป็นนายถาวรบานสติประธานติดพ้อมปลาการสันชัยภูมิที่ดีอะไรจรมาลูจักต้อนลรโต้ตอทักท้วงเอามาเป็นความลู่ทั้งหมดเลยราบได้ความหลงคือลู้นั่นะบาปข่าศึก บอกทุกก็คือรู้นั่นคือปราบค่าเฉกการลองคนหรือสติอะไรเกิดขึ้นคือรู้ตัวนั่นนี่คือสติปัะฐานมีในชีวิตของเรานี่ทำจากนี้ทำให้เกิดเป็นพรธเจ้าได้ผู้ปฏิบัติตามอย่างนี้รู้ตามอย่างนี้นดียว่าพระสงฆ์ พวกเราเป็นปุถุชนคือในความหลงความหลงก็คือลู่เดี๋ยวเลื่อนฐานะขึ้นไปทางสูงสูงเพื่อจะบรรลุธรรมเป็นพระถ้าหลงเป็นลู่สามารถเป็นพระได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าหลงเป็นหลงอาจจะเป็นเปรตไปได้เป็นอลกไปได้เลือกได้ทางสองแง่เนี่ไปทะลุไปต่ํา ไปทางสูงไปทางต่ำไปทางต่ําเรียกว่าบายระทางสูงเรือว่าพระหรือว่ามนุษย์มนุษย์เป็นพระได้สูงขึ้นไปแยกตัวนี้ให้ดีดีจติตใก็คือขับเคลื่อนอย่างนี้ทุกครั้องอย่าหลงไหนหลงอย่าทุกไหนทุกข์ไหลู้ ก็มาตั้งไว้ให้เหมือนมากขึ้นโดยความรู้มันได้ความมากโดยความหลงและความไม่มีหลงทําไมความรู้ไม่มีทุกทํำไมความรู้ไม่มีอันนี้หลงทำให้เกิดความรู้ทุกทำให้เกิดความรู้จะเป็นพุทธะเหยียบให้เหมือนต่ําลงไปแต้ความสูงจากความต่ําสนอกสนุน ทุกเท่าที่ทำให้เป็นพรธเจ้าได้ไม่ใช่พระเจ้าเกิดขึ้นที่ใดเกิดทึ้ที่ทุกข์ในรสสัจจตื่นดื้อด้านบางทีเราก็หลงดื้อด้ดนหลงก็เฉย อ, อยู่ได้ไม่อายตัวเองทุกกฎดื้อยู่ด้นอยู่ไม่อายตัวเอง โกรก็ยังลือไม่อายไม่อายตรวงแล้วยังไม่พอไม่อายคนอื่นลูกแตน้อยก็ไปโกรธให้เขาดูห่เขารือพ่ของคนแล้วแม่ของคนแล้วไปโกรธให้ลูกน้อ ย, อยไม่รู้ภาษายึงจอกถุกตนสอนตน ก็มีจติจะรู้จักได้เป็นตาในได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจทุกแง่ทุกมุมดูมากก็ยิ่งสัำดานผมรู้จักตัวมาวัยวัยจนานมาไวัย มาก่อนด้านอื่นคมรู้จึกตัวนี่มาก่อนด้านอื่นวิชากรรมฐานเป็นศาสตร์เรื่องนี้มาไว้มาก่อนนั้นอื่ น, รร น, น, น, น, น, นถ้าไม่มีสติออื่มมาก่อนควาหลงมาก่อนความทุกมาก่อนความทุกมาก่อนด้วยอยางนั้นถ้าไม่ฝดกัอาลมณ์จเกิดกับคนเราไม่มีบวกมีลบง้ออยู่ตรงกลางสักที บวคือดีใจลบผูเ้เฉยใจมันก็ไปอย่างนั้นอาลมของผู้โดยชนอาลมของพระอาญาบุคคลยังไม่ไปอยู่ตัวเดียวอยู่ที่เดียวหลมก็คือรู้แบบไม่ไปทั้งต่อลู่เป็นกลางเป็นกลางเป็นมรด์เสริญนี่เป็นมรด์ถ้าเป็นนี่ไม่เป็นมรด เขก้วิธีปฏิบัติมก็เป็นกรอบเปนกลับขึ้นมาทันทีได้ผลตั้งแต่ทีแรกสําเร็จตั้งแต่ทีแรก ท, ท, ทําได้ตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆทําได้เลยตั้งแต่ทีแรกกอเลยเกิดขึ้นมากับลูกําเป็นเลยไม่ต้องไปสอนกันอีก เรต้องแนะนำไม่มีคําถามนีแต่คำตอบทุกคนตอบได้ร้องหลงคือกือหลงจะให้เป็นรูดได้ยังไงบางทีทำตามความโกรธความพอใจไหมพอใจบาทีส่วนที่ได้ประโยชน์การเปนโทษก็เจอแล้ว แล้วเกิดการออกกำลังการบางอย่างให้ผลดันดีเช่นแขงแขนจะมีการฝึกโค้งเลือดโค้งลมอย่างเดวากว่าเอือเยี่ยมออกหรือหลมพัดขึ้นบางบนหลงพัดหลมบงต่ำให้ผลดันดีมันถูกที่ แต่ร่างกายเรานี่มีที่ถูกมีที่ผิดแต่ใช่ถูกก็มีประโยชน์ออกกําลังกายเพื่ที่จะหมดแรงขอได้กําลังขึ้นมากินอาหารเหมือนกันกินอาหารที่ดีก็มีประโยชน์กินที่ไม่ดีก็เป็นโทษแล้ว <c oughs> แต่เราใจใช้อย่างไงคิดเราเนี่ย ต่ดีก็มีประโยชน์ใช่ไม่ดีก็เป็นโทษได้เก็บแค่ได้ป่วยเพราะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเดือดร้อนทุกยากสำบากเพราะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องรุมป่วยเกินไปประบาทเกินไปรักง่ายเกินไปไม่อดทนไม่มีความกตัยญู มันมีความเทียรก็ทำให้จนได้วุ่นวายหย่อนหาซาบได้วอนเจียกร้าด น, นอนประทุกมันทำได้ในโลกนี้ไม่เค่ล้ำหนึ่งสามารถขายได้เป็นร้อยสองร้อยบก็มีปัญญา ไม่เผยรำแรงไม่เปิดค่าจะเปรียคนไม่มีปัญญาเปิดดนินนี่โลกนี่ตรงฟ้านี่ถ้าใช่เป็นดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าใช่ไม่เป็นก็จิบหายไขว่อดจนจะโลกแตกไปแล้วแม่ปาไม้รองให้แม่น้ำร่มป่วย แผ่ดินอวภาคอากาศเป็นพิษใช่ไหมเป็นบรรลกฏเกณนต่อมนุษย์ผู้อยู่อาศัยโลกเดี๋ยวนี้คิดถึง2ี่สบปีหน้าหนาวก็มีงูดล่อง ในหนองงดเดโดอดเด็ดถ้างดล่องทีเท่าไหร่ก็อากาศก็หนาวงดล่องช้าๆอากาศก็ออนขึ้นมาไม่หนาวนกแกนแวนล่องนกกระปูดล่องนกอะไรล่องหน้าหนาวหน้าล่อนก็มีนกประเภทเด่น เดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนเยั่งนกเยืองสัต์หมดไปหรือตายไปไม่มีอะไรเหลือผักตะกอนในหนองมีสรารพัดจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีอาหารขาดแคลนลงหลายอย่างผลไม้ไม่ออกลูก ห ม, ม่่ออกรุเมืมอ่อไผ่ไม่ออกกรแง่งแร่ ง, รงที่ก่อนผลตกตามฤดูกาลผลตกก็ไม่เห็นน้ำไหลแล้ค่อยตกใส่ใบว่ายค่อยจมลงมาตกเป็นชั่วโมงยังไม่เปียก มใบไม้รับใบจินก่อนจกีงก้านสาขารับไปดูดไปผมว่าเมื่อลงมาสู่ดินแล้วก็ซึมไปในรากในเงาไม่เห็นน้ำไหลเมื่อรากเง้าทนไม้ทนไมยอิ่มแล้วก็ลงสู่ดินก็ค่อยชุ่มอยู่ในห้วยหนองของเบืองในห้วยก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้น ทุกวันนี้ตกเว็ดหนึ่งก็ไหลเว็ดหนึ่งแป่นดินมันตายถูกฆ่าด้วยสารเคมีไม่ดูดไม่ซึมแห้งตกฝนตกตกดกไปวุวดดูดดินชุบลงไปถึงนิ้วสองนิ้วไหลหนีหมดดินไม่ดูดแนละ้วโอ๊พืชไม่ขึ้น แต่ก่อนผูกไรก็หาออกจากไรจากสวนฝักทองต้นเท่ากับวงตะก้ามะละกอปลูกต้นเดียวได้เห็นสปีสปีแต่นี่ปลูกไม่ขึ้นแตงก็ปลูกไม่ขึ้นฝักทองปลูกไม่ขึ้นมะละกอปลูกไม่ขึ้นดินมันด้านดินนิสัยอ่ อ, อนต้องใส่ปุ๋ยเคมีลงไป ผขาดเขาผูกขาดต้นไม้เขาผูขาดพืชเขาผูขาดคนเราก็มากินซำงเก็บวันพืชไม่เป็นชื่อเอาหมดไปแล้วแต่ก่อนนี้พันพืชจีนไว้หมดจะตกลงมาออกคู่กขกเต้าเต็มไปหมด นะเขือมันก็ได้ปลูกแข้งมัได้ปลูกทุกวันนี้ต้องซื้อมาปลูกถ้าไม่ซื้อปลูกไม่ขึ้นเก็บผลเพิ่มไม่ได้ต่อไปข้าวล้วก็จะดิกระิตต้องไปซื้อจากเขาอาจะนับเป็ดขายได้ผลก็ ไม่ค่อยมีสมองมาก้ายทำกินไม่เป็นเดี๋ชื่อกินดอกต้มเลงกิบหนึ่งชื่อมาห้าบาทหังทะเลง่ายดิเดียวไม่ทำกินแต่สิ่งที่ชู้พวยที่สุดคือพวยที่เจอต้องมนลด อะไรต่างๆส่วนการทําอยู่ทำกินเนี่ยถึงไรทถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถ ง, ถงนางดการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมักผลไม่อยู่แต่ไม่ทําไม่ทาแต่พิธีศาสนาพิธีไม่ใช่ศาสนาธรรมหลุดไปทำศาสนาพิธีซะประกอบพิธีต่างๆเชื่อมงค์คนตื่นข่าว เพื่อพิธีกรรมอาจารย์ใดหลวงพอ่อใดมีความศักดิ์สิทธิ์ดิถปฏิหารดีคนเดียวคนอื่นดีด้วยมาได้เราก็ประชาคนนั้นทำไม่ใช่เป็นอย่างนั้นดีทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนไม่ใช่มอบใครใครผู้บอกขามจริงต้องบอกให้เขาพึ่งเขาถ้าไปสอนให้เขาพึ่งตัวเองเนี่ จะทแงว่าเีก๊อไปแล้วไม่ใช่สัจธรรมไมไปช่วยเขากาไม่ช่วยจะไม่เป็นคนอื่นก็อ่อนเด้วมาพึ่งไห้ไปช่วยบุญก็ต้องช่วยเอาซื้อเอาหายบาปก็ต้องทำวิธีเอาไปอยู่วัดหนึ่งไม่ สารยาจะดูว่าถึงสารยามีพุทธลูก ป, ปงังงานวิชัยไม่มีที่ตั้งประกาศให้คนเวล้อบอเพราะอะไรจะมีบ้างเพราะคนฆ่าลูกในท้องมากที่สุดวิธีฆ่าลูกในท้องที่ไทยบาปพาคือเช่อ พุทธลูกไปถวายพระบางมารวิชัยที่จะพ้นบาป พ, พ้นกรรมเขาไปบอกอย่างนั้นต า, ายใครฆ่าลูกไหนะท้องไหนใช่ให้อบพระพุทธลูกบางมารวิชัยมาถวายเราจะทำเสียข้อให้ซื้อไปให้ไม่มีที่ตังเลยจะค่าลูกซื้อพระไปถวายวัดที่บอกอย่างนั้นหลย เราบอกให้จุดจ ะ, จะถูกต้องเหตุมาอยู่ที่กิเลสตัณหามันหลงสอนให้มันรู้ควบคุมกิเลสไม่ใช่ควบคุมมันเนงนอกจากมีศีลหัวเดียวเมียเดียวเรามังละวังเาลบเราลุกนั่งก่เลสตัณหา เดี๋ยวนี้คนไม่ตั้งตรงนี้ไม่สอนขายสอนใจตัวเองแม้จะมีตัวบทกดปอยล้วก็ไม่อยู่ขาหน้าช่วยเปล่ยนไมยิงไปิงเอาเงินลดขายลดพวงขายขนม เก็เดี๋ยวก็ออนตีงหัวร่มลองปล่อยหาเงินดอกเงินไม่มีพากันหนีกวดเอาที่ไหนก็ไม่เห็นเงินก็่อยรอคิดว่ามันต้องมีกำมามาอีกทาไม่าแทงแทงจนสลบเฉลี่อยู่ก็บอกเอาเงินมาก็ คนขอบรถพ่วงก็บอกให้เองินอยู่ใต้บอบอพอได้เงินแล้วก็แทางสมัยตายไปเลยแบบนั้นนะแล้วก็ไม่ปลอดภยัยถ้ามาช่วยกันฝึกตนสอนตนแม้จะมีกฎหมายมีตารวจทหารก็ยังมีคนพลายแม้แต่วัดป่าสุกดูนี่ก็ยังถูกลักถูกขโมย แล้วก็จนจนชื่อสายไฟหวังไปในดินว่าจะไปสูบน้าขึ้นแท่งที่นต่นให้ได้ใช้น้าดีในวัดหวังไปก็ไปลักเอาหวังไปข้างหนึ่งก็ไปลักเอาอีกหวังไปข้างที่สองก็ลักขโมยไปแล้วก็ไม่รู้ว่จะมึงไงเพิ่งไปไปเข้าอยู่พอเราไป อยู่คอนเฉนสองวันเอาไปจิ้นหมดเลยพึ่งต้นไม้ต้นนั่นประมาณ8ดลังเอาไปอยู่ก็ก็จนจอยเรื่องเรื่องการรักษาล่มเหลวหมดรักษาปา่าป่าก็หมดรักษานา้ำในปา่นาน้ำก็เน่าหมดก็ ไม่ใช่ความปิกของเราเราก็ได้อสอนกันอยู่นี่อยู่นี่ไม่ทํามันเดินไม่ได้บอกแต่สอนอยู่นี่สอนให้ปฏิบัติต่อการจดใจเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีเรี่กว่าปฏิบัติธรรมแล้วขอเพื่อนพวกเราปีนี้ช่วยกันเอถอะเกอดกาดีก็เป็สอนกระจายออกไป เห็นพ่อเป็นแม่ก็ไปสอนลูกสอนเต้าตัวเองนี่พี่ใหม่นอกไปบอกพี่บอกน้องบอกที่ยังหน้าชื่นใจพอพ่อพอแม่เข้ามาวัดวานละพอที่เห็นพ่อเห็แม่ชวนลูกมาอันนี้ก็พอที่จะมีทเพื่อนได้พี่ใหม่นี้่เขหให้คนดีเกิดขึ้นนับถังเจ้าเรา เป็นคนแรกให้ได้เกิดมรคเกิดผูในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนนุกคนเีอ